อธิกรณะว่าด้วยอธิกร4ี่อย่างเรื่องภิกษุและภิกษุณีวิวาทกันสมัยนั้นพวกภิกษุวิวาดกับพวกภิกษุณีบ้างพวกภิกษุณีวิวาดกับพวกภิกษุบ้าง ฝ่ายพระฉันนะเข้าข้างพวกภิกษุณีแล้ววิวาสกับพวกภิกษุชักชวนพวกภิกษุให้ไปเข้าข้างภิกษุณีบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษต่างพากันตำหนิประนามโพนทนาว่าไหนพระชนะจึงได้เข้าข้างพวกภิกษุณีแล้ววิวาทกับพวกภิกษุชักชวนพวกภิกษุให้ไปเข้าข้างภิกษุณีเล่า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 2. อ, อนุวาทาทิกร 3. อาปัตตาทิกร 4. กิจจาทิกร